ส alamualaikumwarahmatullahwabarakatuh พี่น้องที่ร่วมน้ำมาดสุบ ห, หรือนมาดสบ ท, ทุกท่านครับก่อนอื่นพี่น้องต้องรำลึกถึง Allah, กกอัลลอกอตอลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาลานะครับที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้การมีชีวิตอยู่ของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วก็คิดอะไรตามตัวเองคิดแล้วก็ปฏิบัติเองอะไรเองเนี่ยไม่ใช่ เราต้องทบทวนอัลกุรอานแล้วก็หาความรู้จากอัลกุรอานแล้วมาให้เราเนี่ยเดินตามอัลกุรอานหรือพูดง่ายๆอย่างอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีนมากำกับชีวิตของเราอย่าคิดเองนะคิดเองเนี่ยขาดทุนงานดุลยานะี่คิดเองได้งานประกอบอาชีพ งานจ ะ, สะแสวงหาิริสกีของอัลลอ์เนี่ยคิดเองได้แต่อย่าให้คิดนอกกรอบอย่าคิดทมของฮารอมแต่ให้คิดทาของที่ฮลาลันพออัลลอฮ์ได้ให้อิริสกีกับมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่หลายแบบด้วยกันไม่ซ้ำกันนะครับอาชีพของใครของมันคุรานตรงไหนแล้วครับอินน um ัสายอะกุมลาชัตตา อินซ y a ั u ุมล s ชัต t a แท้จริงความพยายามนะครับของท่านทั้งหลายนั้นหรือว่าความพยายามสแสวงหาริสกีของท่านนั้นไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันแตงน่งานดูนยาเนี่ยต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดแต่ ง, งานศาสนาเนี่ยต้องทำสูตรเดียวกันหมดเลยคือให้ทำตามคำสั่งของอัลลอ และรูปแบบในการปฏิบัติก็ต้องเอามาจากท่านนาบีมูฮัมหมัดสอล ล, ลลัลฮาแลฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเพื่อให้หัวใจของพวกเราสงบเพื่อให้หัวใจสงบให้ทำสีอย่างนะครับให้ทำสี่อย่างหนึ่งให้ให้เวลากับการฟังาศาสนาให้ให้เวลากับการเรียนาศาสนาคงว่ า, าศาสนาเนี่ยสรุปก็คืออัลกุรอาน สองสุนนะของท่านนาบีเท่านั้นแหละเรียกว่าศาสนาประการที่สองให้เราเนี่ยทบทวนอัลกุรอานให้เราทบทวนอัลกุรอานเดี๋ยวนี้ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ส่งกุรอานที่มีคำแปลภาษาไทยอยู่แล้วสะดวกนะครับถึงจะไม่ใช่ร้อยเอร์เซนก็ 20% 30% แล้วอร์สสบเอร์เซนก็หาความรู้จากอัลกุรอานได้นะครับเนี่ยทำให้ใจสงบ 2เรื่องแล้วนะ้าหนึ่งให้เวลากักบการฟังศาสนาสองทบทวนอัลกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานประการที่สามเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮผ่านบท د ع ا ต่างๆพี่น้องต้องท่อง د ع ا ต้องท่องด د ع อ ء เยอะๆ د ع ا ออกจากบ้า น, นว่าดายังไม่ได้ก็ต้องมีหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือเยอะนะครับ ดูอาขึ้นรถดูอาเข้ามัสยิดดูอาออกจากมัสยิดอ า, าเท้าหนาอีกนี่ทั้งหมดนี่เป็นอิบาดาหมดเลยนะจะดึงอะไรดึงบาระกะจากฟากฟ้าลงมาหาตัวเราแล้วก็รำลึกถึงอัลลอ์เนี่ยตอนไหนตอนกลางคืนดึกๆเมื่อตื่นขึ้นมาตอนนำมาตหัดยุด่ะไม่ดูอาอันอีกนะ ก็ค่อยๆหาความรู้ไปนะอย่างน้อยที่สุดก็สุบัลลอฮฺอลฮัมดุลิลละละอิลลฮ์อิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบดุซุบฮานัลมัลิคิลกุดูสนี่ต้องว่านะครับอย่างน้อยก็สิบสบสิ บ, ส, บ, ส, บสิบเที่ยวอ่าวก็มีดูอาบบทอื่นๆอีกค่อยๆศึกษาหาความรู้ไปทั้งหมดนั้นเป็นการลำลึกถึงอัลลอผ่านบทดวอาต่างๆ แล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์อีกข้อหนึ่งเราอาศาสนาที่เราเรียนรู้อยู่เอาไปบอกต่อเอาไปสอนต่อสอนใครอ่ะเราไม่ยา่คนมีพวกเยอะก็สอนลูกๆหลานๆเรานีนนะกรสอนภรรยาเราสอนลูกๆเราหลานๆเราเนี่ยสีรายการนี่แหละซึ่งบรรดาอุลามะได้สรุปให้เรานำมาไปปฏิบัติทำไมมันเกี่ยวข้องกับ หัวใจเราด้วยเพราะหัวใจของมนุษย์มันเป็นแหล่งใหญ่ของร่างกายในร่างกายของเรานั้นไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับหัวใจร่างกายนี่เดี๋ยวลองตายดูสิเอาไปฝังแต่วิญญาณของเราเนี่ยมันไม่ตายวิญญาณมันอยู่ไปตลอดฉะนั้นวิญญาณเนี่ยต้องสงบวิญญาณต้องมีความสุขวิญญาณต้องเขาเรียกว่ามุตมาอินนะ ต้องสงบนั้นหัวใจที่สงบเนี่ยต้องพยายามทำแต่ของที่อัลลอฮฺสั่งอาหารที่เราดื่มที่เราทานเนี่ยนะถ้าไปถ้าไปกินไปบริโภคอาหารที่ไม่ไม่ฮัลลัลวิญญาณไม่รับนะวิญญาณมันอึดอัดเนี่ยไปทานไก่ที่ไม่ได้เชือ่อเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะไปทานไก่ที่ไม่ได้เชื่อเนี่ย เราว่ารับได้ส่วนใหญ่ร่างกายนะ่ารับแต่วิญญาณไม่รับอืมแต่วิญญาณก็ถูกบังคับ่ะถูกบังคับให้ใหบริโภคแต่วิญญาณไม่อยากจะรับวิญญาณมันอึดอัดอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องสงสารวิญญาณเราด้วยฉะนั้นวิญญาณเราเนี่ยนะอยู่กับเราพอพอเราตายวิญญาณลาออกจากร่างแล้วก็ไปอยู่ในอาดามบัรัแล้วก็ไม่ตายด้วยเพราะฉะนั้นเราต้อง ดูแล ว, วิญญาณของเราอาหารวิญญาณกับอาหารร่างกายเนี่ยอาหารร่างกายเนี่ยวันละกี่มือ้อสามมือ้ออาหารเชา้าอาหารกลางวันอาหารเย็นก็มีแถมพวกเลยเล็กน้อยๆพวกโรตีน้ำชานี่ก็ที่ที่แถมแถมไอส่วนอาหารวิญญาณอะไรรือเปล่าอาหารวิญญาณคือถามว่าวิญญาณเนี่ยมาจากไหน วิญญาณมาจากฝากฟ้าอาหารก็ต้องมาจากฝากฟ้าเหมือนกันอ้าวคุรานมาจากมาจากไหนฝากฟ้ามาจากอัลลอฮ์นมาฎมาจากไหนอ่านบีขึ้นไปรับนมาฎวาฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยบชั้นฟ้านู่นอ่ะอันนี้สองรายการแล้วนะแล้วก็คําสอนของนบีมุฮัมมัดนี่มาจากฝากฟ้าหมดเลยทั้งเป็นอาหารวิญญาณทั้งหมด กาถ้าหากเราไม่ไมเรียนหนังสือไม่อ่านหนังสือไม่อ่านคัมภีร์ไม่อา่ า, อานฮะดีสเราไม่มีวิญญาณน่ะเราก็หิวไม่วิญญาณหิวเราวรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนี่เป็นอาหารวิญญาณทั้งหมดคิดคิดเรื่อง AH. อัลลอฮ์นะครับนี่เป็นอาหารวิญญาณเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงวิญญาณของเราด้วยกับการรำลึกถึงอ AH, ัลลอฮ์ سبحانه และุ์ โดย ก, การอ่านอัลกุรอานโดยการสูญยุดเยอะๆนะครับแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ชมอัลลอฮ์ขออุทิศต่ออัลลอฮ์นี่เป็นอาหารวิญญาณเราทานอาหารแค่สามือ้อแต่น้ำมาทเท่าไหร่นะห้าทำไมต้องเยอะอ่ะเพราะวิญญาณน่ะอยู่ไปตลอดไม่ตายส่วนร่างกายเนี่แค่สามื้อพอแล้วเดี๋ยวเราตายก็ฝังฝังก็เป็นนอนนอนก็นอนก็นมากินแต่วิญญาณเราไม่ตายฉันต้องเลี้ยงวิญญาณเราเนี่ย ให้มากกว่าดูแลร่างกายของเรานะครับต่อมาครับวันนี้เรามาทบทวนอัลกรุรอานสูร์อิบรอฮีฮมอายะที่สี่สิบสี่าฟิซอ่านดีอ่านหมดเลยผมจริงแปะไม่หมดสักสามสียอายะก็พอแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะเราอ่านพบว่า คนที่ไม่เอาศาสนานี่นขาดทุนคนไม่เอาศาสนานี่ขาดทุนหมดคนมุสลิมที่มีศาสนานอยู่แล้วแต่หันหลังให้กับศาสนานอันตรายครับใ น, ในคัมีร์อัลกุรอานอายัดแล้วที่เราเรียนมาเนี่ยก็คือว ل ا تحسبن الله غفل عن عمل الضالين มูนย์เจ้าอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ทรงเฉ ย, ย, ยมเมย นะครับอัลล์ลืมอย่าคิดว่าอลัลลอ์ลืมนะต่อที่พวกอาธรรมคนอาธรรมคนไม่เอาศาสนาคนไม่เอาศาสนาหรือ ว, ว่าคนอาธรรมทั้งหมดเนี่ยอย่าคิดว่าพวกอาธรรมคนไม่เอาศาสนานั้นอลัลลอ์จะเฉยเมย อ, อย่าคิดอย่าคิดคุณคิดผิดอะ อินนามาอยู่อัคคีรุหมพระองค์ทรงเพียงแต่ประวิง่งนะประวิ่งเวลาไว้โทษนั้นเองอายาที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอัลลอฮฺยังไม่รีบลงโทษเพราะอัลลอฮฺประวิง่งอยู่อัคคีรุหม์ประวิงเวลาให้เลี้าวมินจวบวันหนึ่งวันไหนครับตัชคอสูฟีฮิลอาบออดสายตา จ้องโพรงตอนตอนตายนั่นคนไม่เอาศาสนาเนี่ยไปรู้ตัวตอนไหนตอนตายโอ้โหตอนตายเนี่ยแย่มากเลยเรานึกว่านอนนอนสบายอยู่ในกุโบะไม่ไม่สบายเลยทรมานสุดๆตาลูโคลงเลยวันนั้นน่ะพอมีหะดิษบอกว่าอะไรนะอิรามาตุอินตาบาหูคนเนี่ยลองตายอะ ตายพยักเพิ่งจะตื่นตอนนี้กําลังหลับนะเนี่ยทั้งๆที่เดินอยู่นั่นแหละทํา ม, มาหากินคิดแต่เรื่องดุลยาดุลยาดุลยาพอตายพยักเพิ่งจะนึกถึงโลกอาคีรอพวกจะนึกถึงนมาห พ, พ, พวกจะนึกถึงสากาดพวกจะนึกถึงอัลกุรอานเพิ่งจะนึกถึงสุน나ของท่านนาบีตอนตายอ่ะพอจ ะ, ะนั้นในคร์อักรุรอานนี่พูดไว้ที่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษนั้นเพราะอัลลอฮ์เปลววิงเวลา ประวิงเวลาไวเท่านั้นเองฉันั้นเราต้องจะให้พี่น้องเนี่ยท่องจำอาย่านี้แหละอายาที่42นะวะลา تحسبن الله غ ا ف ل ا ม عما يعمل الظالمون ทูเจ้าอย่าคิดว่าอัลลอ์ทรงเฉยเมยคือไม่เอาเรื่องต่อพวกอธรรมคือพวกที่ไม่เอาศาสนานะครับ อ n n a า a y อยู่อ r u h u m ุมพระองค์ทรงเพียงแต่ประวิงประวิงเวลาไว้เท่านั้นเองนั่นก็ให้จำอายานี้เยอะๆี่นอ้องเราก็อ่านทวนไปทวนมาวันหนึ่งหลายๆครั้งเหลียวมินต k h o s สุฟิลอ a บุสอ t แล้วก็ต่อไปครับมูเจอินนี่ทบทวนอายาที่แล้วนะ มุกเะยแว่าวิ่งตาลีตาเหลือกโดวยวิ่งด้วยคือน้องอยู่ในกูโบเนี่ย ท, ท, ทั้งที่นอนอยู่นะแต่ตัวเองเหมือนวิ่งเหนื่อยครับนอนอยู่ในกูโบนั่นนะมันเป็นภาพฝันโอ้โหฉัน ว, วิ่งวิ่งวิ่งเหนื่อยอยู่เนี่ยแล้วก็มุกเนยเหยียดชูคอขึ้นคอตั้งเลยนะครับมุกเนยรูซิฮิม มุขเตียนวิ่งตาลีตะลานมุกเนอรูซิหมเหมยียดคอชูคอคอตั้งลายตัดดุอไลเหิมไม่หไม่หันมองใครแล้วจ้องแต่ข้างหน้ายัางเดียวค อ, อตั้งแบบนี้เลยนะและภาพนี้นะมันจะมันจะภาพนอนสบายนอะนเนอยนอนก็นอนอยู่แต่มันภาพฝันอะ่ะโอโหทรมานสุ ด, สด แล้วก็ไปเจอภาพจริงๆวันฟื้นคืนชีพไอ้ที่เห็นว่าตัวเองวิ่งเนี่ยนะแล้วไปเจอจริงตอนวันที่อัลลอเป่าสังพอฟื้นขึ้นมาทั้งหมดนั้นวันนั้นคนไม่มีศาสนานี่ได้เห็นด้วยตาแล้วทำจริงๆด้วยตะลุดตะลานกันหมดคอตั้งวิ่งคอชูไม่มองซ้ายไม่มองขวา ม, มองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วใจเป็นไงครับ ว่าอัฟีดาตูหุมหาว่าหัวใจของพวกเขาว่างเปล่ามาถึงขวัญเสียอัลลอฮฺบาร์บะดะอุลิบิลละนั่นภาพของคนที่ไม่เอาศาสนาดูถูกศาสนานะครับไม่เรียนศาสนาไม่ยอมรับรู้เรื่องศาสนาว่าอัลลอฮฺเนี่ยสั่งอะไรเราให้ปฏิบัติอะไรรวมไปถึงลูกๆที่ไม่เอาพ่อไม่เอาแม่วันนี้ด่าพ่อด่าแม่ตัวเองใช่ไหมวันนั้นจะรู้สึกตัวทั้งหมดนั่นแหละ นะครับแก้ตัวได้ไหมไม่ได้แล้วพอตายแล้วจบแก้ตัวไม่ได้เอาวันนี้อายะฮ์อุรานที่44อลัลลอฮ์เตือนนะครับหลังจากเล่าภาพภาพไม่ดีไม่ดีให้เราฟังเป็นเรื่องจินทั้งหมดของคนที่ไม่เอาศาสนาวาอันซีรินนาสวาอันซีรินนาส่านนาสอลัลลอ์บอกกับ นบีบอกกับรอซูลบอกกับรอซูลเอยจงอันซีร์แปลว่าจงเตือนจงเตือนนะครับบอกกับนบีทุกคนที่มาในโลกนี้ให้เตือนเตือนใครครับประชาชนไัยอันซีรินนาจงตักเตือนมนุษย์จงเตือนคนยุคใครยุคมันเตือนกันเองยุคนบีอิบราฮีมนบีอิบราฮีมก็เตือนคนใน ในยุค ข, ของท่านยุค ข, ของนบีนบีมูซาอา้าวอัลลอ์ก็ส่งมาเตือนฟิรางูนอา้าวยุค ข, ของใครน่ะอาดสมูตอัลลอฮ์ก็ส่งซอลเลห์มาเตือนอาดสมูตแค่ท่านใครที่เชื่อนบีเขาปลอดภยัยใครที่ไม่เชื่ออา่าดูต่อไปเยาวมายติฮิมุลาบวันหนึ่งมาถึงวันเตียมะ วันกิยามะเนี่ยเริ่มเมื่อไรอ่ ะ, อะวันกิยามะเนี่ยเริ่มไม่เท่ากันใครตายก่อนเห็นวันกิยามะก่อนใครตายที่หลังก็ถึงวันกิยามะที่หลังแบบเรานั่งรถไฟมานะะั่นแหละใครถึงสถานีก่อนก่นลงก่อนบ้านอยู่หมู่บ้านนี้ของเปลงก็ลงที่เปลงคนมันลงนู่นน่ะชานชาลาเนี่ยถวัดถายนะหัวลำโพงก็ปไปลงหัวลำโพงใครถึง ถึงบ้านก่อนก่อนลงก่อนใครตายก่อนถึงกักรกิยามาตรก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับย้าวมายาติหิมุลาจซึ่งการลงโทษจะมายัางพวกเขาเห็นไหมมีแน่ๆครับการลงโทษคนไม่เอาศาสนาเนี่ยถูกลงโทษแน่แ่ด้วยเหตุนี้อับีอย่าเป็นห่วงอ่บนบีเป็นห่วงอ่ะ ว, วันที่ลุงของท่านเสียชีวิต อบูตอลิปอบูตอลิบเสียชีวิตนบีร้องให้ร้องให้เนี่ยไม่เหมือนกับเราร้องให้นะไอเราร้องให้เมียตายลูกตายหรือญาติพี่น้องตายเสียใจที่เขาตายของเรามีแค่นี้แหละพระเรานึกมากกว่านี้มันนึกไม่ออกอะเพราะเราไม่เอาศาสนาเลยไม่รู้จะร้องทําไมอะร้องตอนตายแต่นบีมุฮัมมัดเนี่ยร้อง ไม่ใช่รองเพราะลุงตายนะร้องเพราะลุงไม่เอากาลิม่าเตาฮีตละอิลาฮ์อิลล allah ตายจากโลกดุนยานี้ไปไม่มีกาลิม่าเตาฮีตไปเสียใจตรงนี้เห็นไหม น, นั่ะคนที่มันนึกกระไรเยอะๆอยู่ในใจเขาห่วงเรื่องศาสนากันท่านนั่นแหละห่วงศาสนาแล้วคนที่ห่วงอย่างนบีมุฮัมมัดเนี่ยรู้ว่าอนาคตเนี่ยการตายแบบไม่มีศาสนานั้นเป็นยังไง ไอเรา่ยมันจะปฏินศาสนาเยอะมาเด๋ฟังศาสนาเยอะใช่ไหมเลยไม่รู้ว่าตายไม่มีศาสนาเนี่ยเป็นยังไงไม่มีนมาตไปเป็นยังไงไม่มีสาการไปเป็นยังไงไม่จจำเงินไม่จ่ายสาการไม่จ่ายโซตะโกไม่จ่ายฮาดียะแล้วก็ไม่จ่ายของที่เป็นอะไรหน่าว่ากัฟตบะบารุะอะไรพวกเนี้ยลองตายดูสิท่านคนที่รู้อะไรข้างหน้ารู้เรื่องโกลาเรื่องสุนานนะบีเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องนี้มากเลย อาละนบีเนี่ยร้องให้ลุงเสียชีวิตแล้วไม่ได้ ก, ก ล, ล, ล, ล, ล่าวกาลิมะเลอีเลฮออิลลอห์นะครับยาอมายะตีมุลาถึงวันหนึ่งอลัลลอฮ์บอกกับนบีนะบอกให้เตือนวันนี้นบีไม่มีก็สอนพวกเรานี่แหละให้เรานำเอาอิสลามนี่เนะี่ยไปบอกลูกๆห ล, ล, ลานๆของเราญาติพี่น้องเรานะครับ มีโอกาสดาวะาดาวะาเลยเชิญเลยบอกว่าระวังนะคนไม่เอาศาสนาวันนี้ถูกแน่ๆวันไหนครับยาวมายะติมุลาจาบวันซึ่งการลงโทษจะมาอย่างพวกเขาทีนี้เมื่อโทษมาและเป็นยังไงฟายากลุลลาจนอรอลามูแล้วบรรดาพวกอธรรมรอเลมเนี่ยหมายถึง รอมูคนที่ไม่เอาศาสนาก็จะพูดว่าพูดว่าไงนะนี่ขอร้องอัลลอ์นะขอร้องอัลลอ์จริงไหมจริงขอว่าไงครับรบบานาะอัครนาอีลาอัจญลิงกอรีข่าแต่พผูอ้อภิบาลของเรารบบานาะโอ้อัลลอ่า อัครนาได้ทรงโปรดประวิงเห็นไหมพอเห็นการลงโทษพับเพิ่งพูดว่าโอ้อ oh, ัลลอฮ์โปรดประวิงโปรดประวิงอย่าเพิ่งลงโทษฉันเลยภาษานี้ต้องออกมาจากปากของคนที่ไม่เอ า, าศาสนาแน่ๆนี่อัลลอฮ์ Allah, เล่าให้ฟังแล้วเรื่องจริงไหมจริงทั้งหมดรบบานาอัครนาโอ้อัลลอฮ์โปรดประวิงแก่เรา ทีละอาญาลิงกรีจวบกำหนดที่ใกล้ๆนี้อย่าเพิ่งลงโทษเลยตอนนี้รอรอไปก่อนอย่ารออธิบายยังไงพี่น้องอธิบายอย่งงางนี้พอความตายมาถึงคอหอยครับพอความตายมาถึงคอหอยนี่นะหรือว่าเห็นเห็นการลงโทษเห็นอาสาบมาแล้ว เห็นอาซาบมาเห็นการลงโทษมาเนี่ยก็จะพูดเลยา AH, อัลลอฮฺอะคิรนาประวิงเวลาให้ฉันหน่อยทรงฉันกลับไปอยู่บนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมสรงฉันไปอยู่บนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งพอตายทังเห็นหมดเลยโทษของคนที่ไม่ได้นามาดมีอะไรเอาลอกให้เห็นหมดเลยโทษของคนที่มีสตังมีวิสกี แล้วก็ไม่ได้จ่ายสการ์ดไม่ได้จ่ายซดดอกไม่ได้จ่ายฮาดีะไม่ได้จ่ายวาคาฟเนี่ยเห็นหมดตัวโทษมันเป็นอย่างงี้ย่างงี้ย่างงี้ย่างงี้ที่เอาล้ออธิบายก็คือมาในรูปของงูมารัดคอรูปของมแมลงป่องมแมลงป่องบนดุนยากับมแมลงป่องอาซาบไม่เหมือนกันน ะ, มะแมลงป่องดุนยาเนี่ยก็เห็นแค่ตัวเดียวคือมากกว่าสองตัวคลานมากลางุเราเนี่ยเอา เราก็ตีทันใช่ไหมลนะ่ะแต่มแมลงป่องที่มาใต้ดินในในกูโบนะ่มันไม่ใช่มาตัวเดียวนะมันมาเป็นแสนเป็นล้านตัวนะมามาฟัดเราดูในกูโบนะันจะนีไปไหนรอดนนะ่ะฉะนั้นนะไอ้ภาพทั้งหมดแล้วนี่คุณก็นึกถึงเนี่ยมีลูกลูกคอลีฟะที่ร่ำรวยในโลกอาหรับเนี่ยใช้ชีวิตแบบ แบบมีความสุขมากเลยนะมีเงินเยอะแต่งทีหนึ่งนิกาทีหนึ่งสี่คนแต่งพระยาทีนึงสี่คนเนี่ยพอแต่งได้สักเดือนสองเดือนก็เบื่อแล้วสิก็ยาแล้วก็นิกายมาอีกสีนี่นะประวัตินี่มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคนแบบนี้ยังมีในโลกนะแล้วก็บันทึกเก็บเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้พอตอนตายเนี่ย อายุแค่สามสิบห้าน่ะตายแล้วยุคนั้นมันยุคของอุมัตบินอับดุลอาซีสซึ่งเป็นคอลีฟะเขินเล่ามาจนเปน้องฟังแล้วแล้วก็คนคนนี้มีลูกอยู่คนหนึ่งพอพ่อตายก็เสียใจร้องให้ลูกชายเนี่ยชื่ออายุปวันที่เอาพ่อไปฝังเนี่ยกำลังอุ้มไมยิดลงจากลงจากกันนะ ลงจากอกที่คันแบกเนี่ยจะเอาไปฝังที่ใต้ดินนี่นะฝังลูกหลุมเนี่ยศพมันดิ้นลูกชายเน่เรียกว่าศพนุไวพ่อฟื้นบอกคุณพ่อพ่อฟื้นแล้วดีใจใหญ่ท่านอุมัดเบลอาซิสเป็นคอลีฟากก็ไปฝังศพด้วยวันนั้นก็บอกว่าอายุพ่อคุณไม่ได้ฟื้นหรอกอัจจัล ล, ล, ลอฮุลเอาคู่บอะอัลลอ์รีบลงโทษก่อนฝังเห็นไหม รีบลงโทษก่อนฟังระวังอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยเอาเอาลงมาได้ครึ่งหลุมอะ่ะยังไม่ถึงดินเนี่ยศพมันดิน้นอ่ะสไซนาท่านอุมัดิบตุลอาซิซบอกว่ า, วาพ่อคุณไม่ได้ฟืน้นนะอัจจลัลลอฮุลเอาผูบา อ, อัลลอฮ์รีบลงโทษก่อนฟังเห็นยังฉะนั้นอย่าคิดว่าใช้ชีวิตอายาชอยู่สบายสบายไม่คิดถึงอัลลอฮฺไม่คิดถึงรอสุน ไม่เอาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอยากคิดว่าคุณรอดจากการลงโทษของอัลลอฮ์นะไม่รอดครับลองตายดูสิไม่รอดครั บ, รรบฉะนั้นบุคคลตัวอย่างในอดีตน่ะมีมาแลว้วขนาดอยู่ในอยู่ในพาเลซอะไรอยู่ในวังอะ่ะอยู่ในบ้านสบายอาหารกินผู้หญิงรอบของกินรอบหมดเลยแล้วของข้าวารเต็มไปหมดนะ่ละล้ผ่านรอดไหมไม่รอดครับ เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีถ้าก็กลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาล่านะทีนี้รอบบานาอัครนาเพราะเห็นพอเห็นนะอาซาบเนี่ยยังไม่ถูกลงโทษเห็นว่าอาซาบน่ยมาแล้วว่างนะอัครนาได้รมประวิงแกเราหน่อยยาอัลลอฮ์ นูยิบดาววาตากะพวกเราก็จะตอบรับการเชิญชวนของพระองค์ความจริงอลัลลอฮอัประวิงมาตลอดใช่หรือไม่ใช่ประวิงใช่ไหมวันนี้อลัลลอฮ์ก็ประวิงใช่ไหมนะ่ะอลัลลอฮ์ให้เห็นก็ตอนตายการลงโทษมาแน่ๆพอเห็นอาซาบภาพเห็นการทรมานอลัลลอฮฺยาอย่าเพิ่งลงโทษจะเลยส่งฉันกลับไปอยู่บนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฉันจะอะไรนะนาอมัลซอริฮานในอายะอื่นฉันจะทำความดีฉันจะเริ่มนามาฉันจะอ่านกุรายทุกคนแม้แต่มุสลิมเราที่ว่าที่ว่าเก่งเก่งแน่ๆเนี่ยนะว่าอิมานแข็งเป๊ะเลยเนี่ยนะก็บนคำนี้อ ย, า, อยาจะสรงอลัลลอ์งกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมไปเห็นแล้วว่ามันมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เยอะมากของคนที่ทำความดีคนที่อยู่กับศาสนาเนี่ยเห็นรางวัล จะที่มันเห็นว่าแม่ถ้าจะทําเพิ่มดีนิดนึงะจะได้ตรงนี้จะได้สิ่งนี้จะได้สิ่งนี้นุจิบดาวัติกาแล้วเราก็จะตอบรับคําเชิญชวนของพระองค์วานัตตาเบัยรูซูลแล้วเราก็จะปฏิบัติตามรอซูลเห็นไหมเพิ่งจะไปพูดในตอนตายว่าฉทนปฏิบัติตามรอซูลอยู่บนดวงาเนี่ยแม่ เรียกร้องสูรส่รอซูลทูนนาบีนี่หาว่าคณะใหม่พวกนั่นพวกนี้ถูกตำหนินี่ตัวเองพูดเองใช่ไหมล่ะโอ้ยนูนี้ฉันขอกลับไปอยู่บนดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งฉันจะปฏิบัติตามอัลลอ์และเชื่อฟังรอซูลเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายไปยอมรับตอนไหนตอนตายอาวารัมตะกูนู อาวัลลัมตะกูนูก็แต่ก่อนเนี้ยอักซษรตุมมิงกอบลูมิงกอบลูกแปลแปลมิงกอบลูก่อนนะแต่ก่อนนี้นะ่ะสูเจา้ามิได้อาวัลลัมแปลว่ามิได้อักซษรตุ้มแปลว่าสาบานตอนอยู่บนดุนยาก่อนตายเนี่ยคุณไม่เคยสาบานหรือว่า วันกิยามะไม่มีนะ่ยเคยสาบานเปล่าเคยเนี่ยคนแนวศา ส, สนาทั้งหมดนั่นแหละพูดว่าไงนะโลกดุนยานี้ยกวันกิยามะไม่มีมินซาวาลหมายถึงเราจะไม่สูญสลายเราตายแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ออกจากโลกดุญญนยาใบนี้จะอยู่ในโลกดุนยาใบนี้แหละเราไม่ไปไหนหรอกถ้าจะตายก็ตายเป็นดินไปก็จบฉันจะไม่ฟื้นคุณเคยพูดใช่ไหม เคยพูดอ่ ะ, อะเมื่อก่อนนะคุณเคยพูดแต่วันนี้คุณจะมาขอร้องฉันให้ประวิงเวลาอย่าให้ลงโทษฉันหากฉกลับไปอยู่บนดุนยาเมื่อตอนคุณอยู่บนโลกดุนยาคุณก็ไม่เชื่อว่าโลกดุนยาใบนี้จะมีวันหมดอายุคุณก็ไม่เคยเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนี่อัลลอฮฺตอบไม่ใช่เป็นการเป็นการด่าไปในตัวด้วยนะทีนี้ คนที่ตายไปแล้วนี่นะไปนองจะเรียกวันละห้าครั้งจะเรียกอัลลอฮ์ในวันละห้าครั้งพูดภาษาแบบนี้แหละวันละห้าครั้งทุกวันเลยนะหาครั้งนี่เยอะนะพูดว่าไงนะรับบานาอามัตนาโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยตายสองครั้งและให้เกิดสองครั้งตายครั้งแรก ตอนไหนหรู้ไหมตอนอยู่ในท้องมารดาตอนอยู่ในอารมอรวรรจโลกแห่งวิญญาณ น, นั่นก็ตายครั้งแรกแล้วก็ตายครั้งที่สองเนี่ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ไม่ใช่เราตายใช่ไหมนี่แหละตายครั้งที่สองและวไอ้ก่อนฟื้นล่ะฟื้นมาสองครั้งเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ฟื้นครั้งแรกเนี่ยตอนที่อยู่บนโลกดุงยาใบนี้นี่ฟื้นครั้งแรกแล้วก็ฟื้นอีกทีนึงก็ฟื้นในวัน ยามาอ่าวันอาคร ว, วันนี้ไม่มีใคร่ใส่ไม่ไม่ใคร่ใส่ใจอลัลลอ์เล่านะกะพียรอคุณตายสองครั้งนะแล้วก็เกิดสองครั้งไม่มีใคร่ใส่ใจเดี๋ยวพอตายจริงๆเธอเห็นน่ะโอ้อยอลัลลอ์ฉันยอมรับแล้วว่าตายมีสองครั้งแล้วก็ฟื้นสองครั้งยอมรับแล้วเพราะฉะนั้นช่วยฉันหน่อยมีทางออ ก, ออกอื่นไหม นี่นะนี่ครั้งที่หนึ่งนะแล้วอัลลอฮ์ตอบว่าไงรู้ไหมฉันนี่นะเรียกร้องพวกท่านสู่อัลลอฮ์แต่คุณก็ปฏิเสธฉันเรียกร้องคุณให้นับถืออัลลอฮ์อง์เดียวแต่พวกคุณก็ปฏิเสธนะพี่น้องแต่นี้ครั้งที่สองตอนไหนครับรับ บ, น า, บน า, า, านาอบอสอรนาวาสามิฮานาในสุร้อนานาันน่ะสัจาดานะโอ้อัลลอฮ์ฉันเห็นแล้วฉันได้ยินแล้ว บสถส่งเรากลับไปอยู่บนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งฉันจะทำอามันที่สอนแล้วฉันเชื่อแล้วนี่ร้องขออัลลอและแอละัลลอตอบว่าไงรู้ไหมฟาซุกูบีมานซตุมชิมการลงโทษของอลัลลอเพราะคุณนี้อะไรนะลืมว่าคุณจะมาพบกับฉันในโลกอาคีรอวันนี้คุณสำนึกตัวนี่วันนะ้าสองครั้งแล้วนะครั้งที่สาม รบบานาอัครินาอิลาอจลิมกอรีบนี่อายานี้อายที่นี่นนี่อที่สามที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยโอ้อล l l a h ประวิงเวลาให้ฉันหน่อยแล้วฉันก็จะตอบรับคำเชิญชวนของท่านและก็จะปฏิบัติตามรอสูนนี่รั้งที่สามแล้วก็อัลลอฮ์ก็ตอบว่างไง ร, รู้ไหมคุณไม่เคยสาบานหรือว่าฉันจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ฉันก็ไม่จะไม่สลายไปไหน ตายแล้วก็ฉันก็ไม่ฟืน้นแต่วันกิยามะฉันไม่เชื่อว่ามีด้วยอ่านี่อัลลอฮ์ตอบอันที่สีรับบานาอัคริจนาหน้ามันสอลิฮันโออัลลอฮ์ Allah โปรดให้ฉันกลับไปอยู่บนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วฉันก็จะทำความดีอัลลอฮ์ตอบว่าไงรู้ไหมอ่าวนลาอูอัมิรุกุมเราไม่ได้ให้อายุของคุณเนี่ยยืนยาวหรืออายุปดสิบปีเจ็ดสิปีคิดอะไรไม่ออกหรือ อยู่บนดุนยาตั้งนานคิดอะไรไม่ออกหรือนี่คำตอบอันที่สี่อันที่ห้ารบนากรา บ, บัตอลนาชกุวาตนาโออัลลอ์ความชั่วของฉันเนี่ยได้ครอบงาฉันฉันเนี่ยทำความชั่วมากกว่าความดีฉันเป็นพวกที่หลงไปยอมรับหลังจากตายอัลลอ์ตอบว่าไงรู้ไหมคงจมอยู่ในความจงจมอยู่ในนรกนั่นแหละ จมอยู่ในความลําบากนั่นแหละว่าาตุกันลิมูนแล้วอย่ามาพูดแก้ตัวนี่วันหนึ่งเลนะคนชั่วๆคนไม่เอาศาสนาหลังจากตายไปแล้วเนี่ยจะขอร้องอัลลอฮ์วันหนึ่งประมาณห้าครั้งและอัลลอฮ์ก็ตอบตอบครั้งสุดท้ายอัลลอฮ์ว่าอย่ามาพูดแก้ตัวฉช่ดันพี่น้องครับเรื่องจริงทั้งหมดนะครับนี่อัลลอฮ์เล่าในการฟรีรุอานอายานี้ อาย่าเดียวก็พอแล้วมาต้องรอถึงห้าครั้งแล้วนะครับโอ้อล l โปรดประวิงเวลาอย่าลงอย่าเพิ่งลงโทษฉันเลยโปรดส่งฉันกลับไปอยู่บนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งฉันจะได้ทานู่นทานี้ทาเป็นความทาดีทั้งหมด a l l a ตตอบว่างไงถูกไหมคุณเคยไม่เคยสาบานหรือว่าโลกดุนยาใบนี้คุณจะอยู่ต่อไปตลอด และคุณก็ไม่เชื่อว่าโลกอาคีรอ์นั้นมีจริงไม่เชื่อว่าการสอบสวนมีจริงไม่เชื่อว่ามีตาช่างมีสะพานมีนรกมีสวรรค์คุณไม่เคยเชื่อใช่ไหมแล้วก็เคยสาบานกับอัลลอ์มาแล้วขณะที่อยู่บนโลกดุนยาพี่น้องครับตัวลงว่าตายแล้วเนี่ยต้องฟื้นนะตายต้องฟื้นแล้วก็พอตายภาพเนี่ยอัลลอหให้เห็นหมดเลยนะ เห็นหมดเลยคนได้สวรรค์ก็เห็นสวรรค์เห็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์คนที่ไม่เอาศาสนาะอัลลอฮ์ก็ให้เห็นหมดเลยว่าการลงโทษจะเป็นยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงตรงนั้นแหละมันจะพูดวันหนึง้าครั้งสิบครั้งสิบห้าครั้งกูทุกวันนะครับเอาต่อมาอายะที่สี่สิบห้าวสกันตุ้มสูเจ้าได้พำนักอยู่ในสถานที่ ฟีมาซากินิลลซีนอร์ดมูสูเจ้าได้พำนักอยู่ในสถานที่เดิมของบรรดาผู้ที่รอดมูอังฟุสาหุมในสถานที่พวกอธรรมหมายถึกคนไม่เอาศาสนาเคยอยู่พวกท่านเนี่ย อยู่ในสถานที่ที่พวกอะธรรมคนที่ไม่เอาศาสนาเคยอยู่แล้วก็คุณอยู่ได้ยังไงอ่ะในที่ตรงนั้นอ่ะเอา้าต้องการจะบอกอย่างนี้ฟาโร่เน่ยอยู่ในประเทศไหนอ่ะอียิปต์พี่น้องชาวอียิปต์วันนี้ที่ไม่เอาศาสนานะ่ะคุณอยู่ได้ยังไงอ่ะนั่งเป็นที่ของใครอ่ะฟาโร่และฟาโร่เอาวันรอไหมอ่ะ ไม่เอาเอาลัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาสอนใช่ไหมแล้วก็ต่อต้านนบีมูซาผ <c oughs> ลสุดท้ายฟาโร่จมน้ำตายมูซาตายไหมไม่ตายที่ตรงนั้นนะ่นวันนี้คุณก็เดินอยู่อทำไมคุณไม่ใช่ปัญญาบ้างเห็นไหมสอนให้เราคิดครับตอนนี้เมืองบ้านเราเน่ม ป, ปัญหาดีมันยังไม่มีเพราะว่านบีมาเดมาแถบนี้ใช่ไหมล่ะ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในโลกอาหรับเซนป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแตนี้มันมีอยู่ที่หนึ่งที่จังหวัดอะไรเที่ลมพายุเก ม, มาแล้วก็ต้นไม้พังหมดเลยอ่ะจังหวัดประจวบใช่ไหมอำเภอประจวบอ่ะอ่าชุมพรเนี่ยตรงนั้นก็ตรงนึกนะ่ะพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นน่ะตรงนึกนะต้นมะพร้าวเนี่ยพังหมดเลยแล้วคนตายต้นต้นไม้พังบ้านพังอะไรพังแล้ววันนี้เนี่ยอยู่ในที่ตรงนั้นเราไม่นำมาดูสิ ทำไมคุณลืมได้ยังไงสถานที่เยอะไปหมดนะอ้าวที่เดดซีเดดซีในมีอะไรนะพวกฮอร์โมนเซ็กชวลผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันและอัลลอ์ส่งนบีมานาบีลูดมาสอนแล้วไม่มีใครเชื่อนบีลูธและอัลลอ์ให้แผ่นดินพริกและวันนี้ไปเที่ยวกันเต็มไปหมดมีใครคิดบ้างมีใครคิดกี่คนน่ะที่ตรงนี้น่ะ อัลลอฮ์มันใสนะ่อัลลอฮ์ลงโทษนะอย่างนี้เป็นตัวนี้อัลลอฮ์เตือนนางฟพี่กลว่าสกันตุมฟีมาซากินิละดีนอโลมูอังฟุสะฮุมและสู่เจ้าได้พำนักอยู่ในสถานที่เดิมของบรรดาผู้ไม่เอาศาสนาเรียกว่าคนซอเลมนะครับไม่เอาศาสนา คุณอยู่ได้ยังไงอะวันนี้คุณยังทำชั่วเหมือนคนในอดีตที่เขาทำอะ่ะคุณอยู่เนี่ยบริเวณเดียวกันเนี่ยบริเวณเนี้ยคุณยังทำชั่วอยู่เลยสมัยก่อนคนแบบนี้เนี่ยรอด ล, ลงโทษแล้วแล้วคุณน่ะทำไมใช้ปัญญาทำไมไม่คิดเัญนยาเนี่ยคุณอ่านสอนให้คิดเห็นไหมห้ามดูลิล่ะเอาต่อมาครับวัตถาไบยานาละกลุมและเป็นที่แน่ชัด คืออัลลอฮ์เนี่ยได้เล่าเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดไว้ในอลัลกุรอานแล้วพอยังอ่ะไปเป็นข้อเตือนใจที่พอแยงพอแล้วอ้าวบางคนอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยรู้หมดเลยว่าโอ้ที่ตรงนี้เป็นที่ที่อัลลอฮ์เคยลงโทษแล้วก็เราก็มาอยู่ในที่ตรงนี้แหละมาปลูกบ้านหลังสวยๆตรงนี้แหละแล้วก็ทําซนากันตรงนี้แหละกินเล่ากันตรงนี้แหละ ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้คนที่ทำอย่างคุณนี่ยอัลล์ลงโทษแล้วแล้ววันนี้คุณยังมาทำอีกวัตะบัยนะละกลุ่มอัลลอฮ์ได้อธิบายได้สาธยายได้เล่าให้คุณฟังแบบละเอียดแล้วไกฟะฟะอัลนาบิฮิมเราได้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างใด อัลลอฮ์ได้ลงโทษพวกเขาอย่างไรได้ลงโทษพวกเขาแบบไหนคนที่ทำความชั่วเหมือนคุณวันนี้อัลลอฮ์ลงโทษมาแล้วต่อมาวะดารอบนาละกุมุลอัมซัลและอัลลอ์หมายถึงเราได้ยกอุทาหรณ์อุปมาสำหรับสูเจ้าสูเจ้ายังไม่รู้สึกตัวอีกหรือยกตัวอย่างคนรุ่นก่อนมาอธิบายให้คุณฟัง คนที่ทำบาปแบบเดียวกับคุณนี่แหละไม่เอาศาสนาไม่เอานาบีอลัลลอฮ์ลงโทษแล้วในที่เดียวกันกับที่คุณอยู่มันนี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมเป็นข้อเตือนใจที่ดีแล้วใช่ไหมแค่นั้นพวกเราก็เหมือนกันที่ตรงนี้ไอท้ที่บริเวณเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะไม่มีในยุคประวัติศาสตร์ที่ทําอะไรเลวๆไว้่แต่เมื่อเราอ่านคุรอานเราก็ต้องได้ข้อคิดจากอัลกุรอานด้วยเหมือนกัน นะครับอัาทำโดุลิลาเป็นรองครับแสดงว่าเราเนี่ยอยู่เนี่ยตรงเรียนแล้วนะต้องศึกษาต้องคิดตลอดเวลานะครับเนี่ยวันนี้ยาเสพติดบัณเราเนี่ยระบาดเต็มไปหมดลูกหลานเราเนี่ยเสียหายเยอะไปหมดน้ําท่วมอันนี้นี่ก็เป็นข้อเตือนใจนะน้ําท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยตายไปเท่าไหร่ แล้วก็ปีหน้าถ้าหากเราไม่คิดปรับปรุงตัวเองแก้ไขโดน้ามาอีกทีนึงเนี่ยอาจจะหนักกว่าเก่าเองนะถามว่าเราได้ข้อคิดอะไรบ้างมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่อายานี้แหละอายาที่สี่บห้าเนี่ยสถานที่ที่คุณเคยอยู่เนี่ยคนรุ่นก่อนเขาทําบาปไว้อลัลลอฮฺลงโทษแล้ววันนี้คุณได้อยู่ในที่ของเขาแล้วคุณคิดอะไรบ้างคิดออกบ้างหรือเปล่าว่าคุณทําอะไรผิดคุณแก้ไขปรับปรุงไหม ถ้าหากเราเป็นมุนมินเราก็สอนสอนเรื่องนี้ให้ชาวบ้านเขาฟังแล้วเราก็จะพอใจคนที่นำเอาเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมาเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังเรามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮแต่คนที่ไม่เชื่อก็ระวังตัวให้ดีก็แล้วกันตอนนี้อัลลอฮฺประวิงเวลาเอาไว้ยังไม่รีบลงโทษนะครับพี่น้องอต่อมาอายาที่สี่สิบหกวก็เดินมาการูมมาครอฮุมและแน่นอน พวกเขาได้วางแผนของพวกเขามากัดแปลว่าวางแผนว่าก็จะมาการูมาครอหมและแน่นอนพวกเขาได้วางแผนของพวกเขาวางแผนทาลายอิสลามนะคำว่าวางแผนพี่น้องอย่านึกไปอย่างอื่นนะวางแผนทำลายอิสลามทำลายมุสลิมทำลายผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์วันนี้ยะฮูดีวางแผนทาลายกาบะ วางแผนกันหมดวางแผนจะยึดบ่อนนะ้ำมันมุสลิมทำยังไงวางแผนกันหมดพี่น้องแต่พี่น้องอย่าลืมนะโลกดุนยาใบนี้ในสายตาของอัลลอฮ์เนะ่อะไรแพงกว่านะปีกอะไรปีกยุงแพงกว่านะตอนนี้เราเนี่ยนะถ้าน้ำมันถูกยึดนะสาวว่าเรื่องใหญ่ บ่อน้ำมันถูกยึดในเรื่องใหญ่มากเลยเพราะเรามองโลกดุนยาไปนี่มีรางวัลมีค่ามากกว่าปีกยุ่งแต่ถ้าเรามองว่าอิสลามถูกทำลายเนี่ยเรามองไม่ออกเพราะเราให้ค่ากับอิสลามเนี่ยน้อยเกินไปคนไม่ได้นามาดเนี่ยเรามองดูไม่เท่าไรแต่ถ้าบ่อน้ำมันถูกยึดตีสาว่า ม, ม, มันมันมันรังแกมุสลิมสูงเกินไป แต่รังแกมุสลิมไม่ให้นามานนะ่ะพวกเราไม่ได้คิดอ่นานกูณอ่านไม่ออกนะเราไม่ได้คิดรู้เปล่าเนี่ยลูกหลานของอิมามบุคอรีวันนี้อยู่ที่เมืองบุคอรอเนี่ยกล่าวกระริมาไม่ได้เยอะนะไม่มีใครคิดนะคิดอย่างเดียววนะ่ารัสเซียน่ะยึดประเทศมุสลิมยึดบอลน้ามันเราก็ห่วงแค่นั้นนะ่ะแต่เราไม่ได้ห่วงคน วะมาการุวะปอดะมาการูมักครอหุมแต่พวกเขาได้วางแผนของพวกเขาวะอินดะลอฮิมักครูหุมแต่แผนของของพวกเขานั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ไอ้ไม่แผนของพวกเขานั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เนี่ยวันนี้จะพูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราว่าอย่าไปห่วงวัตถุให้ห่วงอิสลามมากกว่าวัตถุ เอาลออาคบัดเนี่ยลูกหลานเรานี่นะถ้าไม่มีเงินเดือนเนี่ยสาว่ามันหนักเหลือเกินถ้านามาดไม่เป็นไม่เท่าไรพอมีเงินเดือนแล้กวก็แล้วกันนะ่ะนามาดเป็นไม่เป็นนามาดไม่ครบห้าเวลาไม่เท่าไรมันก็เดินตามแผนเยโฮดีทั้งหมดนี่วันนี้ใช่หรือไม่ใช่ใ ช, ใช่นี่ไงวกอเะมาการูมาโครโฮมและพวกเขาได้วางแผนของพวกเขาไว้เดลลอฮิมาครูโฮม แต่แผนของพวกเขาอยู่ที่อัลลอฮฺว่าอิงกาณามัครูฮุมแม่แผนของพวกเขาจะเป็นเช่นลิตาซูละมินุลจีบาลเคลื่อนย้ายภูเขาได้ก็ตามแผนของเขาเนี่ยนะสามารถย้ายภูเขานะคำว่าภูเขาเนี่ยนะคนที่ย้ายภูเขาได้สังว่าเก่งแล้วนะ แต่อิสลามนั้นน่ะมันใหญ่กว่าภูเขานะตรงการจะบอกว่าคุณจะทำลายอิสลามไม่ได้ตรงการจะบอกตรงนี้คุณไม่มีสิทธ์จะทำลายอิสลามถึงแม้ว่าคุณจะมีแผนทำลายย้ายภูเขาจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ได้คุณน่าเก่งแล้วนะแต่อิสลามนั้นมั่นคงกว่าภูเขาเสียอีกคุณทาลายไม่ได้ ท่านต้องการจะบอกให้รู้ว่าคุณจะทําลายอิสลามให้หมดจากโลกดุนยานี้คุณทําลายไม่ได้อัลลอฮ์จะให้อิสลามมีอยู่กับโลกดุนยาใบนี้ให้คุณอ่านเล่มนี้อยู่กับโลกใบนี้จะให้สุนนะของนบีมุฮัมมัดอยู่กับโลกใบนี้คุณจะทําลายแค่ไหนคุณเองต่างหากที่เสียแต่อัลลอฮ์ไม่เสียอิสลามไม่เสียอิสลามจะมั่นคงอยู่ตลอดไปนะครับให้เราคิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่นะ ต่อมาอายาที่เท่าไรนะ47ยาสุดท้ายนะครับคือเป็นยี่นะต้องการจะอธิบายว่าสัจธรรมเนี่ยอยู่ในอันอยู่ในคัมภีร์กรุรอานอัลฮักเนี่ยอยู่ในอยู่ที่อัลลอฮฺเราละซูลไอ้ของไม่จริงเนี่ยมันอยู่นอกอิสลามทั้งหมดฉะนั่นคนที่เผยแพร่อิสลาม คนที่อยู่ในอิสลามรักษาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์จะคุ้มครองถ้าหากจะตายยกตัวอย่างนะถ้าหากผู้ที่ทำงานาศาสนาวันนี้ทั่วโลกถ้าเกิดคนศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยมาทำร้ายเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยเขาเรียกว่าตายอะไรนะตาย شهيد นะพ่อน้องไม่ต้องไปกลัวนะตายคือตาย ش ه ีดนะ แต่ถ้าหากว่าคนกาเฟศัตรูของอิสลามเนี่ยทำลาอิสลามแล้วก็ถ้าเขาตายเนี่ยมันเป็นการลงโทษจากอลัลลอฮ์นะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะฉะนั้นในสมัยนบีที่มีที่มีการทำสงครามเนี่ยแล้วก็หัวหน้ากาเฟที่ตายไปเนี่ยนะนั่นอลัลลอก์การนะตะพีอกุรอานว่าอลัลลอ์ลงโทษพวกเขา ผ่านฝีมือมุสลิมพอมีสงครามทีนะถ้ามีคนกาเฟ่ตายสี่คนห้าคนสิบคนนะอลัลลอฮ์บอกว่าเขากาลังถูกทรมานจากอัลล์สุภาหูออาลาส่วนมุสลิมอย่างคำจ้างเนี่ยที่ถูกฆ่าตายในสนามรบใช่ไหมนะที่ภูเขาอะไรนะภูเขาอูฮุดเนะี่ยอยู่ในสวรรค์นนะ่เลือดของท่านนะ่ยยังสดๆอยู่ในวันนี้นะ อยู่ในสวรรค์ น, นะเวลาตักซาบั น, นย่าคิดว่าคนที่ตายในคนทางของอัลลอฮ์นั้นเขาตายจริงเขาไม่ตายเขาอยู่ที่อัลลอฮ์เน่ยพี่น้องมันต่างกันนะคนกาเ ฟ, ฟ่ตายด้วยฝีมือมุสลิมคือการทรมานคือการลงโทษตายแล้วโดยรับการลงโทษจากอัลลอฮ์สม่ำเสมอจนกระทั่งถึงวันตรีมั้ส่วนมุสลิมมุมินที่อีมานต่ออัลลอฮ์แล้วเราซู้ ถูกฆ่าตายในสนามรบเขาอยู่ในสวนสวรรค์ตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างแล้วก็นบีก็อธิบายอยู่ว่าตอนที่เขาถูกแทนก็ดีเขาถูกทรมานก็ดีนั่นมดกัดเจ็บกว่ามดกัดเจ็บกว่าฉะนั้นต้องต้องเราต้องเข้าใจลึกๆอย่างนี้อยู่ในใจเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานศาสนาทั้งหมดคนที่เป็นห่วงศาสนาอิสลาม คนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลรักซูน่า น, นาบีเนี่ยนะเวลาเขาตายเนี่ยละอักลกบันอานาวารุสุลีอัลลอฮฺสัญญานนกะเพียร์ุรอ่านว่ามุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์รอซูลของอัลลอฮ์จะชนะทั้งหมดตายก็ตายดีใช่ไหมขอเล่าอีกนิดหนึ่งพอวิญญาณออกจากร่าง พอออกจะร่างเสร็จแล้วเนี่นะมารายกาจะพาวิญญาณก็พูดศรัทธาต่อรอดเนี่ยไปอยู่ในอินลีนอยู่ในสวนสวรรค์วิญญาณของคนดีๆที่เขาตายล่วงหน้าไปแล้วนั้นพอวิญญาณใหม่มาเขาจะพูดบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาพักผ่อนพะเขามาจากโลกดุนยาเนี่ยเขาเหนื่อยเห็นไหมนี่ภาษานี่ดีมากนะ อย่าไปยุ่งเขาเขาอย่าไปยุ่งอย่าไปถามอะไรเขาแต่ถามอยู่ประโยคเดียวถามว่าคนนั่นเป็นยังไงเขาอาจจะถามว่าครูแอเป็นยังไงยกตัวอย่างเขาบอกคอรูแอตายแล้วเสียชีวิตแล้วไม่ได้มาที่นี่หรืออแสดงว่าถามว่าเขาตายแล้วแต่ยังไม่ได้มาที่นี่แสดงว่าต้องไปอยู่ที่อื่นถามอยู่ประโยคเดียวคนนั่นเป็นยังไงวิ ญ, ญญาณใหม่ตอบว่า เขาตายแล้วมาอยู่ที่นี่ไม่มีแสดงว่าไปอยู่ที่อื่นนี่มีอยู่สองแหล่งเท่านั้นแหละไม่อิน ล, ลียีนก็สิยีนไม่อยู่ในสวรรค์ก็อยู่ไหนนรกฉะนั้นคนมุมินตายเนี่ยอยู่สบายหมดเลยแต่คนที่เอาศาสนานะต้องเป็นห่วงศาสนานะดำลึกถึงอัลลอฮ์นะต้องอ่านอัลกรุรอานนะ ยสุน่านบีนะคนเหล่านี้ลองตาดูสิสบายดนะครับเอาต่อมาอายสุดท้าย فلا تحسبن الله مخلف وعدهه رسولا فلا تحسب นะดังนั้นจงอย่าคิดว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ทรงบิดพลิ้วมุคลิฟแปลว่าบิดพลิ้วอย่านึก อยาคิดอยาคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงบิดพิ้วนะสัญญาของพระองค์ต่อบรรดารอซูลของพระองค์ตัวแทนของรอซูลคือพวกเราวันนี้อัลลอฮ์เนี่ยสัญญากับรอซูล<ม>เอาไว้อย่างไงสัญญากับคนที่ปฏิบัติตามรอซูลอย่างไรอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้จะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอ จะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่สัญญาของอัลลอ์ที่มีกับบรรดารอซูลเราไม่เคยเห็นหน้ารอซูลแต่เราเนี่ยเรียนรู้เรื่องซุนนะของรอซูลแล้วก็นำอามาปฏิบัติเราก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับนี่อะไรบ้างสุลฮาคนดีใช่ไหมรูซูลูรอซูลของอัลลอฮ์ แล้วก็พวกซิดดีกินซิดดีกหมายถึงคนที่จริงใจต่อศาสนาอิสลามฉะนั้นท่านอบูบากัตเนี่ยได้ชื่อว่าซิดดีกเป็นคนที่เชื่อนบีแล้วก็สัต์มั่นต่อท่านนาบีใช่ไหมแล้วก็พวกซิดดีกินพวกชูฮัดาคนที่เสียสละทรัพย์สินของเขาแม้แต่ตัวของเขาเนี่ยเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺ ตายพวกนี้อัลลอฮฺอักบต์สัญญาของอัลลอ์ที่มีไว้กับรอซูนรวมไปถึงพวกซิดดีกีนพวกชูฮัดาคนซอลิฮีน์ทั้งหมดมีอยู่สี่กลุ่มนะหนึ่งบันกลุ่มรอซูนสองกลุ่มซิดดีกีนคนที่จริงใจต่อศาสนาอิสลามนะครับทั้งหมดเหล่านี้ทำงานศาสนาหมดเลยนะแล้วก็กลุ่มที่สามกลุ่มอะไรนะชูฮดา คนคนที่ปกป้องศาสนานี้ด้วยทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายของเขาแล้วก็พรีชีวิตของเขาเพื่ออัลลอฮฺและรอซูนแล้วก็พวกอะไรนะซูลลาซอลีไฮินคนดีๆทั้งหลายคนดีๆก็คนนีคนที่รักษาหนามาท่าเวลาคนที่ดูแลอัลกุรอานปกป้องศาสนาใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตายในสนามรบก็ตาม แต่ใจของเขาเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮเหละารอซูนตลอดเวลามีอยู่สกลุ่มทีนี้อัลลอบอกว่าคุณอย่าคิดว่าอัลลอจะเป็นผู้ทรงบิดพลิ้วสัญญาของพระองค์ต่อบรรดารอซูนรอซูนรวมไปถึงอีกสามกลุ่มอีกนะอะไรนะสิดดีกินชูฮาดาโซเลฮีนชูฮาดะหมายคนที่ตายเฉย ซอลวีฮินคน ด, ดีดีดีที่กลับเนื้อกลับตัวของเขาไปทำฮัตกลับมากลับตัวแล้วทำตัวดีกว่าเก่าใช่ไหมเคยนามาดอยู่ที่บ้านวันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองเดินมานามาดที่มัสยิดกับจมะมาไม่เคยอ่านอัลกูรานเลยเมื่อก่อนเนี่ยอ่านจาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับดิลีนิวอู้ตลอดแต่วันนี้เอากุรานมาอ่านแล้วมาทบทวนดูใช่ไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อก่อนเนี่ย ไม่เคยบอกภรรยาไม่เคยเตือนภรรยาให้นามาต์แต่ตอนนี้เตือนแหเธอนมาเธอเมื่อก่อนนี่ไม่เคยเตือนตัวใครตัวมันหุงอาหารไม่ตรงเวลาในะมีเรื่องนะแต่วันนี้อาหารไม่มาไม่เป็นไรแต่นามาต์เธอจาขาดนาเห็นไหมมันเปลี่ยนนิสัยมันเปลี่ยนผู้จา ก, ก็เปลี่ยนนี่ผมอ่านทัดิสนะเมื่อคืนนี่ยอ่านพบอย่างนี้ท่านยิงอาย ถ้ายังอาช่าภรรยานาบีนะนบีเตือนน่ะอ้าตีรีอาช่าเอ้ยนมารวิเตสผมก็นั่งนึกเอ๊แล้วก็เรานเคยบอกภรรยาให้นามารวิเตสว่านาบีเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างของพวกเรานะเตือนภรรยาให้นมารวิเตสแล้วเราวันนี้ใครเตือนใครอ่ะหรือว่าเมียเตือนผัว มันต้องนึกนะจะอังสุ น, นานาบีมาชชันะ่ะเคยเตือนเปล่าแล้วเราเองน่มาวิเตสเปล่าหรือว่านมามวิเตสเฉพาะเดือนเราบออนพี่น้องครับมันต้องนึกนะนึกนะยังไม่แก่เยอะแค่ห้าสิบหสิบเองใช่ไหมฉะนั้นรักษานามาวิเตส ด, ดูอย่างน้อยที่สุดเกียรลอกาัดเอาอย่างขี้เกียร์ขี้เกียรเท่าไรหนึ่งรักษาไว้ ผมอ่านหะดิษนบีนเอตีดียาอัญชัญอัญชาจานมาวิเต็ด้วยเอยมันได้ข้อคิดนะแล้วเรานเตือนภรรยาเาหรือเป่าหรือภรรยาเตือนเราโอ้พี่น้องเอาใหม่เอาใหม่นั้นตแต่คืนนี้ไปรักษานมาวิเต็รักษาอย่างเงี้ยหนึ่งถ้าหากเราเนียดจะลุกขึ้นนามาแต่หัดหยุดตอนกลางคืนนะอย่าเพิ่งนามาวิเต็ พอนามาอิชาเสร็จแล้วนำมาโุนานสองระกระดับใจมันึกเดี๋ยวคืนนี้ลุกขึ้นนำมาทหารยุทธ์ที่บ้านที่บ้านนะแล้วก็นนำมาวิเทสอีกสามระกระดับก็อย่าเพิ่งไปนำมาวิเทสก็กลับไปบ้านไปรีบนอนหน่อยจะได้ตื่นไว้ๆอ่ะใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ตื่นมาตอนดึกๆ อ, อัลลอฮฺจะที่สุบู์มันเข้าตี 5, ห้เาเท่าไหร่อัลลอฮฺมีเวลาเหลือน่ะเลยเอลัลลอฮฺให้นะตื่นตีตีสี่ครึ่งเนี่ยได้ตกเต็มเลยนะ่ะ ได้นามาตะหะยุทธ์อย่างน้อยสีเราก็อัดหกเราก็อัดถึงแปดเราก็อัดแล้วก็ตามด้วยวิตเตสอีกสามแล้วก็ปลุกภรรยาเธอลุกขึ้นนามาตะหะยุทธ์นามาวิตเตสจะจะเอาซุนนะนบีมาใช่พราะนบีเตือนภรรยาว่าเอาตีรีอาอิชาจะนามาวิตเตสด้วยจะให้เมียเตือนกตลอดเวลาเมียก็ไปเขียนจดหมายถามโตครูโตครูเมาก่อนเนี่ย สามีเตือนฉันเดี๋ยวฉันต้องเตือนสามีล้วก็ถีบ่ฉันฉันอีกอย่างนี้มันไม่ไหวใช่ไน่ะแนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองนะครับพี่น้องเอาอยายะสุดท้ายนะครับอินนัลลอฮ์อาซิซุนซุนติกอมแท้จริงอัลลอ์เป็นผู้ทรงอำนาจอาซิซผู้ทรงอำนาจซุนติกอมผู้ทรงลงโทษตอบแทน อินทร์กรซ้์เดิมแปลว่าแก้แค้นแต่เราจะไม่พูดว่าอลัลลอฮ์ทรงแก้แค้นนะ่ะภาษาเนี้ไม่เหมาะเหมาะสําหรับพวกเราฉะตั้นกับอลัลลอฮ์เราพูดอย่างนี้อลัลลอฮ์พูดทรงลงโทษเพื่อเป็นการตอบแทนเบาวหน่อยนะครับฉังนั้นเราทําอะไรไว้วันนี้อลัลลอฮ์อดทนสูงนะอัลลอฮ์อลัลกบะฮว่าอลัลลอฮ์ตำหนิอลัลลอฮ์ไม่สุญญดกับอลัลลอฮ์ อัลลอฮ์ให้อากาศใ ห, ون, ให้นู่นให้นี้มาไม่คิดสตางค์แม้แต่นิดเดียวล้วก็ยังเล่นงานอัลลอฮ์อยู่นบีมูซานะ่ะฟ้อง Allah, อัลลอฮ์ว่าอยาอัลลอฮ์ฉันให้ถูกดา่าอัลลอฮ์ช่วยเปลี่ยนหัวใจคนอย่าให้เขาดา่าฉันได้ไหมอัลลอฮ์ให้ยิบรีน ล, ลงมาบอกนบีมูซาบอกว่าฉันเองก็ถูกดา่า <laughs> ฉันเนี่ยสร้างเขามานะ ใ, ห ون, ให้นู่นให้นี้ให้ทุกอย่างกับเขาว่ะ เขาก็ยังด่าฉันอยู่เลยวันนี้เราะฉะนั้นปนนล่อยไเดี๋ยวอัลลอฮจัดการเองฉะนั้นอุลมามะเขาแนะนำนะเวลาเราไปเป็นศัตรูกับคนที่ไม่เอ า, าศาสนาไม่ต้องไปแก้แค้นเดี๋ยวอลัอลลอฮฺุนติคอมอัลลอแก้แค้นแทนเราเองสบายไหมอัลฮัมดุลิลลาฮฺเป็นองครกบวันนี้ดีมากนะครับสรุปสถานที่ที่เราอยู่วันนี้ เป็นสถานที่อลัลลอ์เคยลงโทษใครบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นสถานที่ที่อลัลลอฮ์เคยลงโทษหรือบริเวณใกล้กนี้เราอยู่ตรงนี้เดินผ่านที่ตรงนั้นเราต้องนึกถ้าเราเลวแบบเขาทำไมอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษบอกให้รู้หน ah um ูอัคริโรหุมอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไวเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ลงนะลงแต่ประวิงเวลาเอาไว ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ سبحان ัตุลลอฮวะบิ m i k a ش ل َ اللَّهِ إ ِ ل َ إ ل ا أ ن ت أ س ت ف ِ و أ ت و ب و س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ت ه